นามูตตาภาควาตุราหัตุสัมมาสัมพุทธาปุถานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะศีลานุภาเวนะญาขานุภาเวนะ เทวานุภาเวนะเมตานุภาเวนะตนนะีนะบัดนี้จะให้ญาติพี่น้องทุกทุกคนตั้งใจเราทุกคนได้ทำความดีแล้วในวันนี้ให้ตั้งใจอุทิศหายาชาติกูลใด ที่ยังตกค้างอยู่ในโลกตั้งแต่อนเนกชาติเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันมาเคยเป็นญาติเป็นชาติกลกูลกันมาเคยร่วมสุขร่วมทุกขนํำกันมาหลายภพชาติ ผู้ที่ตกลงต่ำนานกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดในโลกหรือยังเป็นเปรตเป็นผีประการใดๆเพราะฉะนั้นให้เราญาติพี่น้องทุกๆคนจงตั้งใจให้ละลึกถึงอนุภาพของพระพุทธอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ให้ลเล่นลึกถึงศีลของตนที่ได้สัมปทานกันอยู่มาและลึกถึงของทานพวกเราและลึกถึงเทพเจ้าทั้งหลายให้ช่วยเหลือทุกประ ก, การแก่ผู้ทุกทุกได้ยากเพราะวันนี้พวกเราทุกๆุกคนนั่นเองได้ตั้งใจมีเมตตาเจตนาว่าจะทำบุญอุทิศ ให้ญ า, า, าติชาตกูลใดๆที่อยู่ตกข้างที่ไหนๆเพราะฉะนั้นเมตตาอนุภาเวนะด้วยความเมตตาจิตของพวกเราจงมีอนุภาพมีลิทธานุภาพประการใดๆนี่ถ้ขันเราตั้งใจแล้วต้องมีลิทธ์ขันถ้าไม่ตั้งใจ มันไม่มีลิติเหมือนกับไฟมันไม่ลุกมันก็ไม่ร้อนคันมันลุกแรงมันก็ต้องร้อนแรงเหมือนลมลมมันพัดคอยที่สุดจนเราไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่เย็นคันมันพัดแรงมันก็ต้องเย็นสบายน้ำเหมือนกัน อย่าพอนึ่งหยดหรือว่าพบพิวมาดิดหน่อยมันก็ไม่รู้สึกว่าความมันเย็นขนาดไหนฉันเราอาบน้ำหรือเราทำให้มันตกใหญ่โตหัวฐานประกันในใดมันก็เย็นฉันใดนี่ให้เราคิดนึกนื่งจิตของเราทุกคนจงตั้งใจของตนในวันนี้ ของกายกรรมวาจีกรรมมนโนกรรมวัตถุกรรมพระการน ใ, นใดๆที่พวกเราได้ตั้งแล้วได้อุทิศหาญาติพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนึกอย่าได้ไปปล่อยลมอย่างอื่นเกินไปมันไม่เป็นประโยชน์อะไรที่ปล่อยไปนั้น มันเป็นคำปลุมไปตาเรื่องมันเป็นของสกปรกมันไม่เป็นของสะอาดสิ่งที่มันสะอาดนั้นเราอุทิศเราตั้งใจเราล ะ, ละลึกถึงความดีเราล ะ, ละลึกเมตตาเราละลึกอยู่เสมอที่สิ่งความดีจึงได้ขึ้นชื่อว่า เมตตาปรมีเราอุทิศให้สัตว์ทั้งหลายในโลกให้ได้รับผลสุวรรณสามเมตตาปรมีมัดยาเป็นวงขอบเขตกว้างขวางที่สุดสัตว์ทุกตัวที่เคยเบียดเบียนนี่เคยทำลายกันมาอย่างใด ขันได้เข้ามาในขอบเขตของข้าพเจ้าที่ได้วางเขตไว้แล้วอย่าได้คิดเบียดเบียนอย่าได้คิดปองลายกันให้หนานึกถึงเมตตาซึ่งกันและกันตลอดไปจนผลที่สุดลียงแท้ๆมันขึ้นหนังหนังมันขึ้นลังขึ้นนัง่งหลังเสือจับหม้อน้ำทรงให้พ่อแม่ของตน เพื่อนนังหลังหมูแล้วจับหม้อน้ำไปส่งถึงพ่อแม่ของตนไม่มีเบียดเบียนกันประกัน ใ, นใดๆทุกอย่างอันนี้พลวสุวรรณสามเมตตาปรามีสัมปันโนอิติปิโสปคาวาเนี่ยให้เราญาติพี่น้องทุกคนที่เราทำความเมตตาในวันนี้ ให้ผมพากันตั้งใจของตนทุกคนอุทิศให้พวกเขาที่ตกหล่นให้ได้รับผลพ้นจากบากกรรมจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปภายข้างหน้าพวกเราที่ยังเป็นบุตรชนยังหน้าที่จะได้เกิดต่อไปในโลกอันนี้หลายภพชาจะได้พบปะกันอีกต่อไปภายข้างหน้า จะได้เป็นมิตรเป็นสหายกันจะไม่ได้เบียดเบียนอิจฉาทำลายกันประการใดๆเพราะโดยการที่เราสงเคราะห์เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกในี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนในใจอลนะัลัมมณะปัจจยโยะธรรมเป็นอารมณ์อยู่เสมอในใจ อธิปฏิปัจจโยเราทําเป็นนิดอยู่ในใจเหตุปัจจยโยเราทําเหตุที่ถูกต้องทําเหตุที่ให้ได้รับผลความเจืกเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้ละเป็นผลประโยชน์ได้มากเป็นผลประโยชน์ทางตัวของเราที่จะได้รับผลแห่งความสุขความเย็นใจ ต่อไปเพราะเราทุกคนยังเป็นบุตรชนอยู่ในเวลาเหน่ยวนี้เราทุกคนยังจะได้เกิดต่อไปอีกพบภายภายข้างหน้า <c oughs> อันการเกิดของพวกเราเอาแน่นอนไม่ได้ชีวิตใดที่เราพบปะคนผ่านชีวิตนั้นก็ต้องตกนรกชีวิตใดที่เราพบปะบัณฑิต ชีวิตนั้นก็ต้องได้ไปสู่สวรรค์ชีวิตใดที่ตัวของเราทำแต่กรรมความชั่วตลอดไปชีวิตนั้นก็ต้องหนาที่ไปเป็นสัตว์เป็นเปรตไปตกนรกนานเท่าไหร่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกชีวิตวัดเดียวนี้ที่ตัวของเราได้พบปะ ศาสนาของพุทธเจ้าโคตมะของพุทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้วห้าพันปีพุทธองค์เห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ยังมีนิสัยมีปัจจัยได้สะสมความดีแต่อเนกชาติเขามาพบปะเขาจะได้ต่างใจต่างกายกรรมวาจีกรร ม, มโนกรรมวัตถุกรรม เขาจะได้กรรมความดีติดตามนำตัวตลอดกันไปฝ่ายข้างหน้าจนกว่าเขาจะได้สำเร็จมรรคผลเราต ถ, ถาคตเมื่อเป็นบุตตุชนบำเพ็ญบรารมีตั้งแต่นึกในใจอยากจะเป็นพุทธเจ้าตลอดออกปากว่าจะขว้าได้เป็นพุทธะ ตลอดถึงได้รับพยากรณ์มาตั้งแต่พระเจ้าทิพย์ังก่อเป็นระดับตันมายืนเข้าคิวจะเมื่อพระเจ้าตันหังกะโลมหาวิโลเมทังกะโลมหยายโสาาาโสารนังกะโลกะิโตสองค์ยืนเข้าคิวอยู่ว่าจะได้รับพยากรณ์แน่นอนจนมาถึงพระเจ้าทิพยังกรแล้วจึงได้รับพยากรณ์ เป็นของแน่นอนจะได้สำเร็จมรรคผลของตนต่อไปภายข้างหน้าพุทธ อ, องค์ได้เป็นบุตรชนอย่างอย่างเดียวกับพวกเราบดเดียวนี้เองแต่เป็นผู้ตั้งใจของตนอันเนียวแน่ทำความดีของตนเป็นนิสแต่ชีวิตที่เป็นมาเบื้องหลังตกทุกข์ได้ยากตกนรกตกอวิจี และเป็นคนทุกคนอยากเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นมนุษย์ผู้ดีผู้ชั่วมนุษย์ผู้ทุกข์ผู้สุขมนุษย์ผู้แก่ผู้หลนรูปร่างสวยงามเป็นระดับกันมาตลอดเป็นนิดผลที่สุดก็ชัยชนะได้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก อันนี้พุทธองค์เป็นตัวอย่างแล้วในการสร้างบำเพ็ญความดีของตนตั้งแต่นึกพบปะพระเทละผู้อยู่ในป่าดงเพราะยุคสมัยนั้นพุทธเจ้าวางศาสนาไว้แล้วพิขุชุดท้อยปลายแหลมกันมาปลายชายกันมานั้นเปะปะลุงลังหาผู้จะมีศีลทานหาในหญ้ ท่านก็เลยหนีออกไปอยู่ในป่าดงบำเพ็ญความดีตั้งใ จ, จเจริญพร น, นาตามความสบายใจบินบาทกินกับบุคคลผู้ไปหาตัดไม้พุทธเจ้าของเราเป็นช่างไม้ไปพบปะเกิดความยินดีพอใจจึงได้ตั้งใจอุปถาปรามตลอดชุดชั่วชีวิตของพระเถระเจ้าตั้งแต่นั้นละ นึกในใจต้องการอยากจะเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปภายข้างหน้าได้ผ่านพบพระพุทธเจ้ามาแล้วห้าสิบแสนพุทธะหนึ่งหมื่นพุทธะหนึ่งพันพุทธะห้าร้อยพุทธะแปดสิบห้าพุทธะก็เลยได้สําเร็จเป็นองค์พุทธเจ้าโคตมะ เกิดขึ้นมาทันทีในโลกอันนี้จะให้เราคิดนึกในการทำความดีให้เราทุกคนผู้มีนิสัยแล้วในเวลาปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราทุกๆคนนั่นเองได้ผ่านพปะพุทธเจ้าได้ผ่านพปะพระอรหันต์ได้ผ่านพพปะพระเจกปุธะได้ผ่านพพปะพฤศีโยคี ได้สดับรับวางโอวาทของจักรพรรดิตาธีราการทำความดีของเรากันมาแต่ยังบัันชัยชนะจึงได้ขึ้นชัวรเรายัางเป็นบุตรชนหน้าที่ตนของตนทุกคนนั่นเองจะมีการเกิดการตายในโลกสูงสู ง, สงต่ำต่ำเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเทวดาตกนรกไปสู่สวรรค์ อันนี้เป็นนาทีของพวกเราทุกคนคันธภูมิความคิดความอ่านตั้งใจมาขอหายให้ข่านี้ได้รับผลความดีอยู่เสมอให้สมบัติของบัณฑิตติดอยู่ในกายในใจของข้าทุกภพชาติละเว้นชิงความชัว่วใดๆตั้งใจเป็นคนมีหิริคือความละอายโอต๊ะโอตะปะ ความสะดุ้งกลัวแก่บาปประกัน ใ, นใดๆอยู่เสมออันนั้นแปลว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นบรรดาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จนตลอดกันไปนานที่สุดกว่าจะได้ไปพบปะนรกจะเป็นครั้งอันนี้แปลว่าบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้มีความคิด บุคคลผู้รู้จักเหตุผลแห่งความดีและความชั่วตลอดไปในชีวิตของตนบัดเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราได้พบปะแล้วคําสอนของพุท ธ, ธะที่ได้วางไว้แล้วมีอยู่ที่บอกขนทางความดีและความชั่วให้ตัวเราทุกคนจงคิดนึกใช้ปัญญาคิดอ่านพิจารณาให้ดีอย่าได้พมพากันเมาจะเลื่องกิน เมาจะเรื่องเล่นเมาจะเรื่องหาอันนี้เราอนเนกชาติหากันมาเป็นนิดอะไรติดตามตัวเรามาบ้างเราเกิดมาเบื้องต้นก็ป่วยกายเป็นหนุ่งผ่านหนุงเสื่อประการใดใหญ่ขึ้นมาแล้วจึงวิ่งเต็นหาสิ่งของเป็นเครื่องบำรุงร่างกายอันนี้เราให้เราคิดนึก เราเมาเกินไปแปลว่าสมบัติใดๆไม่ได้ติดตามนำเราไปประการใดๆมีติดติตามรักษาพิทักษ์ตลอดไปบุญกับบาปทางสองคันเราสะสมความชั่วบาปกรรมมีกําลังบาปกรรมก็ต้องครอบคุมรักษาตนของตนไปสู่ความทุกข์ตลอดไปคันถ้าเราสะสมสมบัติความดีคือบุญกุศล บุญกุศลก็พิทักษ์รักษาบระคับประคองตัวของเราก็ต้องไปสู่ความสุขชีวิตใดๆที่เราสะสมความดีชีวิตนั้นความสุขจะเกิดขึ้นของตนตลอดไปนี้และให้เราใช้ความคิดความอ่านในใจของทนของตนทุกๆคนตลอดไปจึงได้คืนเชื่อตัวของเราผู้ติดตัต้งใจสะสมความดีของตน ผู้รักใครผู้ยินดีผู้ปราถนาหาความสุขตลอดไปเป็นนิด์เมื่อเราได้รับผลความดีเราจะเริญเมตตาให้แกสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพวกเปรตพก ผ, ผีเขาก็ได้รับส่วนบุญกุศลกับเราผู้เท่มีความสุขเพราะเรามีผลความดีคือบุญกุศลเหมือนกับบุคคลเราไปพบปะ ขอกับบุคคลผู้สับสนเข้าของเขามากนั่นเองเขาก็ต้องแบ่งปันให้เรานิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยหรือให้เราทำการทำงานเราก็ได้รับกินเงินเลี้ยงชีวิตของตนต่อไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนที่เราตั้งใจความดีของตนให้มีคุณสมบัติในจิตในกายของตนตลอดไปจึงได้คืนชอวา ตัวของเราผู้ตั้งใจเมตตาให้กัสัตว์ทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้แสดงพุทธานุภาเวนะนุภาพของพระพุทธเจ้าที่ได้เราตั้งใจเป็นอารมณ์เสมอทำธรรมานุภาเวนะธรรมของพุทธะที่เราได้สาธยายบาดประกาศถาและลึกเป็นอารมณ์อยู่เสมอ สังคานุภาเวนะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ได้วางภระาศาสนาช่วยขยายให้ความกว้างขวางกว้างขวางทุกประการได้ทำเป็นพิธีต่างๆผู้เราเกิดมาได้กราบไหว้ได้สักการะบูชาได้ตั้งใจทำความดีศีลานุสติสินของเรานั่นเองเป็นคุณ นภาพอันดีอันหนึ่งที่เราตั้งใจประกอบความดีตลอดไปจะคานุภาเนี่นะเราแบ่งปันให้ทานพักการใดๆ ใ, ในชีวิตเช่นวันเดียวนี้เราได้ตั้งใจอุทิศอยู่เสมอตั้งใจของตนนี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจคิดนึกตนของตนในชีวิต ที่เราทำความดีของตอนเส้นในวันนี้ที่พวกเราได้เจตนาตั้งใจจะทำบุญอุทิศหาพวกเปรตพวกผีพวกญาติพี่น้องตั้งแต่อเนกชาติที่การเกิดมาในโลกยังตกทุกข์ได้ยากประการใดๆใเราก็พร้อมพากันช่วยเหลือให้เขาได้รับผลความสุขความเจริญต่อไป เมื่อเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปภายข้างหน้าก็าจะได้พบปะกันอีกต่อไปจะได้เปลี่ยนพักพวกควรผงซึ่งกันและกันตลอดกันไปเช่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ที่ขยันในการเกิดผู้ที่ตั้งใจขยันในการแบ่งปันประการใดเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์มีพัก พวกผืนผงทั้งหลายมีบริษัทบริวารและมีลาบสักกระไปมาทิ้นสถานใดโมพักพวกผืนผุงประกันใดใดเพราะท่านเป็นคนขยันหนึ่งในการเกิดสองในการแบ่งปันสในการมีเมตตาสในการเจริญธรรมะในศีลการให้ทานประการใดใด ท่านจัดเมื่อได้สำเร็จมกผลจังมีฤทธานุภาพอํานาจประการใดๆนี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจของตอนนาทีของพวกเราอันจะได้เกิดต่อไปในโลกตลอดกันไปอย่าเข้าใจว่าแบ่งเล่าให้กันกินอันนั้นมันศัตรูกันนะชีวิตหน้าต้องเป็นภัยศัตรูึ่งกันแบ่งปันอันชิงอันลายกาศ มันต้องเป็นศัตรูกันต่อไปภายข้างหน้าไม่เป็นมิตรเป็นสหายประกันในดๆนี่จะให้เราตั้งใจของตอนที่อาตมาได้แสดงในพุท ธ, ธานุภาเวนะพอสมควรกับกระวีลาอีวังก็มีด้วยปการัสนีอาตั้งใจอุทิศ อาดาชิเมอากาชิเมยาติมิตาจะ้าจะเมเปตานางังทักินางทาจาภุพเพกตามนุษย์จะลัง นาหิลนังวาโซโกวาชาวันชาปิเทวานาณตังเปตาณมัตตยะเอวังติทันติยาติโยอยัญจะโคตักขินาตินนาสังกัมหิสุภิติติตาธิการตังหิตายัตสาทนาโซภะกะปะติโซญาติธรรมโมจะอยังนิาจิตโตเปตาณะผู้จะตักกตะุนลาลาพนัญจะภิกุลุปนินดัง ตุเฮหีปุญญังปัจจุตังอนาปักจันติภวตุสัพพังกลังหละขันธุสัพพเทวตาสัพพบุษสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาวนสัทสูทีพระวันตุตีนัดานียรยังพันเดยพุทธามะภูเกจามียังนุกลนิยา ยัดเสดาในตรงนี้กะลวยาธา